บุกทูสี่สิบเก้ากวรดกนาวกีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมชูวิสปอร์ตสค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย Yes มีเด็ว่าสิ่เอกซริดฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับมีแอสต้าสปอร์ตคลับนเราเล่นฟุตบอลนี่ฟุตบอลัสบางครั้งเราก็ว่ายน้ำนี่โฟเยตนาัสหรือเราขี่จักรยานเอานี่บิซีคลัส มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราแล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย estas jo, kun และมีสนามกอล์ฟทีวีมีอะไรดู กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้นุนเอสตัสฟุตบอลาลูโดทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษยอยู่ลาเกิร์มานาเทอามอลูดัสคอนทราลาอังกลาใครกำลังนำคิ่อยูเอสตัสเตนคันต้าดิฉันไม่ทราบค่ะดิทูเตนสิอาสปิทิโอ ตอนนี้เสมอกันอยู่ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียมตอนนี้กำลังยิงลูกโทษเข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ อูนูยนูโล